ภาวนาแบบไหนก็ได้ผลถ้าทำจริงหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิที่เราควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเราจะเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์อย่างทำวัดเช้าวัดเย็นที่เราทำกันอยู่นี่แหละเวลานั่งสมาธิก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือท่านผู้ใดอาจจะเคยศึกษาแบบปฏิบัติสมาธิมาจากสำนักใดที่ตนเคยปฏิบัติอยู่ ก็เอาแบบนั้นไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นพุโทโธเช่นอย่างเคยภาวนายุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอเรื่อยไปใครภาวนาสัมมาอารหังก็สัมมาอารหังเรื่อยไปใครภาวนาพุโทโธก็พุโทโธเรื่อยไปถ้าใครเคยกําหนดสติรู้จิตของตนเองโดยไม่ต้องภาวนาอะไรคอยจ้องดูแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาก็กําหนดสติตามรู้ไป หรือใครเคยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดรู้ไปไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปภาวนาแบบนั้นแบบนี้ทุกแบบที่เป็นวิธีการภาวนานี่ถ้าเราทำจริงมันได้ผลเท่าเทียมกันหมดไม่มีแตกต่างใครจะภาวนาพุทโธสัมมาอราหังยุบหนอพองหนอเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิ นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดคือ1เมื่อจิตสงบนิ่งสว่างมันจะสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปจนกระทั่งตัวหายอีกอย่างหนึ่งพอสงบลงไปนิดหน่อยความคิดมันจะพุขึ้นมา ฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งขึ้นมาอย่างกำน้ำพุอันนี้มันจะมีทางไปอย่างนี้